นะครับทีนี้ถ้าจะาพิจารณาเป็นตีรณปริญญาก็บอกเออถ้าไม่มีภาษาเวทนาเหล่านี้ก็ไม่เกิดนะครับเนี่น Member, สสย Mayor, น ะ, ะถ้าไม่มีภาษาทางจักระเวทนาที่อาศัยจักระก็ไม่เกิดนะครับถ้าไม่มีภาษาทางหูเวทนาที่อาศัยหูก็ไม่เกิดนะครับเป็นต้นแม้ในอดีตการก็เป็นอย่างนี้แม้ในอนาคตการพ่อก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเพราะว่าสิ้นไปนะครับมันก็สิ้นไปตามปัจจัยของมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันน่ากลัว นะครับเพราะถูกราค่าเป็นต้นเนี่ยแผดเผาแล้วก็เป็นอนัตตาเพราะแต่ละอันไม่มีสาระเลยนะครับอันก็พิจารณาทั้งหมดทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันทั้งที่เป็นภายในภายนอกอยาบละเอียดเลวประณีตนะครับตลอดโลกทั้งหมดนะครับเวทนาตลอดโลกทั้งหมดต้องเอามาพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตานะครับอ๋อกรับนี่เป็นลักษณะของการไข้ครวญใช่ไหมแต่ว่าไม่ยังยัง ยังไม่ยังไม่ถึงขั้นที่จะไปสามารถรู้ความเกิดดับของเวทนาถ้าไม่ใคร่ครวนก็จะไปรู้เกิดดับได้ยังไงเราต้อ ง, องใคร่ครวนเป็นรดับก่อนไคร่ครวนอันน <că> ี้เรียกว่าตีรณาปริญญานะครับเป็นเป็นฐานของพิจารณาเกิดดับนะครับการใคร่ครวนเหล่านี้เป็นฐานของการเห็นการเกิดดับที่เป็นอุทยพยะนะครับว่าเมื่อใคร่ครวนอย่างที่กล่าวไปแล้วอย่างมหาศาลนะครับอย่างมากมายเพียงพอแล้วนะก็จะเห็นว่าเวทนาจะเกิดเกิดด้วยอาการห้า ถ้าเวทนาเหล่านี้จะเสื่อมก็เสื่อมด้วยอาการ5เวทนาจะเกิดเพราะอาวิชชาเกิดนะครับเพราะตันหาเกิดนั่นแหละเวทนาจึงเกิดเพราะกรรมเกิดนั่นแห young, และเวทนาจึงเกิดเพราะภาษานั่นแหละเกิดเวทนาจึงเกิดแล้วก็นิพพติลักษณะคือลักษณะที่เกิดขึ้นของเวทนานะครับก็ชื่อว่าความเกิดของเวทนาทีนี้ถ้าหากว่าอาวิชชาอันนี้ถูกสํารอดด้วยอรหัตตะมักถ้าอาวิชชาดับเวทนาอันนี้ก็ดับแต่อวิชชาที่ดับเนี่ยเพราะอรหัตตะมรกนะครับอวิชชาจึงดับ เพราะฉะนั้นเวทนานี้ก็ดับถ้าตัณหาดับเวทนานี้ก็ดับถ้ากรรมดับเวทนานี้ก็ดับถ้าภาษาดับเวทนาอันานี้ก็ดับแล้วก็เวทนาก็มีวิปริณามลักษณะคือลักษณะที่ไม่ได้คงทนถาวรของเวทนาอยู่แล้วนะครับ เ, รเวทนาก็เป็นสภาวธรรมชนิดหนึ่งซึ่ง เกิดขึ้นไปตามปัจจัยทั้งหมดปัดจจัย น, นั้นเวทนานั้นก็ต้องหมดเป็นสภาวะเสื่อมสิ้นไปสลายไปเป็นสภาวะอยู่แล้วนะครับดังนั้นการพิจารณาเหตุเกิดกับความดับเหล่านี้มากๆก็จะล ะ, ละถ้าเห็นเหตุ เ, หเกิดก็ละอุเฉะททิฐิถ้าเห็นความเสื่อมก็ละศัสตทิทิฐินะครับเห็นการเกิดขึ้นและเสื่อมไปโดยปัจจัยนะครับคือเพราะอาวิชชาตันหาอุปาทานเป็นต้นนะครับถ้าเห็นโดยปัจจัยอย่างนี้อนัตตลักษณะก็ชัดเจนขึ้น Utan, เห็นตัวเวทนาเนะี่ยทุกขลักษณะกับอนิจจาลักษณะก็จะชัดลักษณะสามก็จะปรากฏชัดเจนขึ้นทีนี้ก็ตามเห็นเวทนาเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้ก็จะละนิจจาสัญญาได้ถ้าเห็นเวทนาเหล่านั้นโดยความเป็นทุกข์ก็ละสุขสัญญาได้ถ้าเห็นโดยความเป็นอนัตตก็ละอัตตาสัญญาได้เมื่อเบื่อหน่ายก็ละความเพลเดิดเพลินได้นะครับถ้าเห็นความดับก็ละสมุทัยได้เป็นต้นนั่นเองนะครับ ที่เหลือก็เจริญสติสัมโพชงอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธ้อมไปเพื่อการสละนะเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงการใคร่ครวญเหล่านั้นเนี่ยนะครับอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธ้อมไปเพื่อการสละนะครับเจริญวิริยะสัมโพชงอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธ้อมไปเพื่อการสละก็เจริญปีติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อการสละนะครับ เจริญปสัสสติสัมโพธิชงอนอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละแม้กระทั่งเจริญสมาธิสัมโพธิชงอนอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละแม้กระทั่งเจริญอุเบกขาสัมโพธิชงอนอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละนะครับผังก็เจริญ พ่อชงเหล่านี้นะครับโพ่อชงที่บุคคลเจริญมากแล้วทําให้มากแล้วก็ยังวิชาและวิมุติให้บริบูรณ์นะครับอันตัวเวทนานั่นแหละก็เป็นทุกขสัตนะครับเหตุเกิดของเวทนาหรือปัจจัยของเวทนานั่นแหละเป็นสมุทัยสัตว์ข้อปฏิบัติที่มาไข้ครวนมารอบรู้เวทนาและเหตุเกิดทำที่สุดแห่งเวทนาให้ให้ปรากฏอันนี้ก็เป็นมรรคสัตนะครับที่สุดแห่งทุกขและสมุทัยเหล่านี้ก็เป็นนิโรธสัตนะครับ ครับเหตุเกิดของเวทนาคือแล้วก็อวิชาตันหกรรมและผัสสนั่นเองเหตุเกิดก็คือสมุทัยนะสมุทัยังฆะของเวทนานั่นเองนะครับแต่โดยทั่วทั่วไปก็ย่อๆเลยก็คือตัวตันหานั่นแหละเป็นตัวพิษร้ายแรงที่สุดเพราะถ้าดับตันหาได้นะครับอวิชามันก็ดับด้วยถ้าดับตันหาได้กรรมก็ไม่ให้ผลแล้วนะครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเฉพาะผัสสะเหลือแต่เวทนาในภพนี้เท่านั้นถ้า ละสังขารไปแล้วก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกได้แล้วนะครับถ้าเป็นะ้าหันเนี่ยนะเพราะว่าละละอวิชาละตันหาได้หมดแล้วถึงกรรมจะมีอยู่กรรมก็ไม่นำไปสู่พบใหม่เนื่องจากเชื้อแห่งการนำปฏิสนธิในพบต่างๆคืออวิชาและตันหาสิ้นแล้วนะครับก็คนควาเวทนานุปัสนาสติปฐานเป็นต้นต่อไปนะครับทีนี้ต่อไปนะครับว่าสัญญาขัน ก็อาศัยเวทนานี่ยนะสืบเนื่องมาสังขารขนันเพราะว่าสังขารขันเนี่ยนะครับเรียกว่าปรุงแต่งถามว่าปรุงแต่งอะไรครับสังขารขนันปรุงแต่งขันห้าสังขารขันโดยขับเน้นมากก็คือเจตนาเจตนาเนี่ยปรุงแต่งรูปประคันปรุงแต่งยังไงครับเนี่ยเลี้ยวซ้ายแล้ขวาเ น, นี่ยมีเจตนานเป็นสมุธฐานเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าเจตนาเนี่ยปรุงแต่งรูปประคันความรู้สึกนึกคิดเนี่ยนะครับที่เกิดเพราะอาศัยเจตนานั่ น, น, นแหละ นะครับเพราะฉะนั้นสัญญาก็เกิดขึ้นวิญ ญ, ญาณก็เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ น, น, นะครับเพราะฉะนั้นสังขารขันก็คือปรุงแต่งขันห้านะครับถ้าตัววิญ ญ, ญาณขันก็คือตัวรับรู้อารมณ์ในทวารทั้ง6นะครับรับรู้โดยเฉพาะรู้สีขาวสีเขียวสีเหลืองหรือว่ารู้รสนะรู้รสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มนี่ยนะครั บ, รรรวรวรรบพวกนี้เป็นขันห้าขันห้าเหล่านี้ที่เป็นอุปาทานก็เนื่องจากเกิดจากตันหาและอวิชานะครับเกิดจาก อุปาทานคือการมุปาทานที่ถูกปาทานสีและพระตุปาทานขันอันนี้นะครับมีอุปาทานนั่นแหละเป็นแดนเกิดขันอันนี้ก็เลยเกิดพอขันอันนี้เกิดขึ้นอวิชาตันหาอุปาทานก็อาศัยสิ่งเหล่านี้นี่แหละเกิดใหม่เพื่อก่อเชื้อให้มีขันอันใหม่ต่อไปนะครับเพราะฉะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายโดย ท, ทั่วไปก็ดําเนินไปในทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์เท่านั้นะจริงครับแต่ความจริงเหล่านี้เลวมากนะครับ อุบาทชาต์ชั่วใช้ไม่ได้เลยนะครับเอาถ้าไม่อย่างนี้ก็ไม่มีคุกมีตารางหรอกครับนรกทั้งหลายก็มีเพราะพวกนี้แหละนีมีกิเลสมีตันหานรกเปรละสุรกายสาัตว์เดราชาเนี่นะครับคําว่าอุบาทเนี่ยมีใช้สําหรับขันห้านั่นแหละชั่วช้าเลวสามก็ใช้กับขันห้าทุตเจริตก็อะไรครับก็ขันห้านั่นแหละทูจริตใช่ไหมครับชั่วทางกายชั่วทางวาจาชั่วทางใจนี่นะครับนะของจังไร ท, งทั้งหลายที่มีในโลกก็ขันห้าอีกนั่นแหละครับ ไปโลกหกนะสิ่งที่จะต้องย่อยยับพังไปก็คือโลกคือตาก็พังนะใครมีตาไม่พังอ่ะ ต, ตาหวานแจ้วแววไม่มีหรอกครับเดี๋ยวก็ฟ้าเดี๋ยวก็มองเดี๋ยวก็มัวนะครับตาใครที่เคยใสยๆนะครับหลายๆปีเข้าก็ดูเหอะนะครับเพราะฉะนั้นตาก็พังไปหูก็พังจมูกก็พังลิ้นก็พังกายก็พังใจนี่ไม่ต้องห่วงนะเพราะใครที่บอกว่า รูปเนี่ยนะเที่ยงนะคนนั้นยังจะพ่อพูดถูกได้บ้างนะถ้าใครมาบอกว่ารูปเนี่ยเที่ยงนะเพราะอะไรครับมันก็เห็นเห็นกันอยู่40 50ปีหรือ100ปีก็พอเห็นเนกันอยู่ถ้าใครจะพูดว่ารูปเที่ยงเนี่พอจะถูกได้บ้างแต่ถ้าใครบอกว่าความคิดเที่ยงอันนี้โอ้โหใช้ไม่ได้จริงๆนะครับเพราะชั่วลัดนิ้วมือมันแหมความคิดมันเปลี่ยนแ ป, ปลงไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องนะครับก็นั่งฟังธรรมอยู่เนี่ยท่านคิดอยู่ที่ฟังธรรมหรือเปล่านะครับ นะครับไปเยี่ยมญาติเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมฟูงเยี่ยมใครที่ไหนนักก็ไม่รู้นะครับในขนาดฟังทำนั้นยังใจห่างเลยนะครับนะอยู่ใกล้ก็เหมือนไกลอยู่ไกลก็เหมือนใกล้อ่ะนะทําไมอ่ะก็อยู่ใกล้ก็ไม่ค่อยคิดถึงไปใกล้อ่ะคิดแต่ไกลที่อยู่ไกลก็คิดไปหาเรื่อยนะใป้กับไกลก็เลยพอๆกันนั่นแหละเพราะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นโลกนะครับมันย่อยยับพังไปมีสาระสักอันเลยนะครับเนี่นะบ้านร้าจริงๆนะพุทธเจ้าบอกว่า ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยบ้านร้างนะครับอาศัยตาเนี่ยรูปมาปล้นกุศลไปอีกนะครับอาศัยหูเนี่ยนะครับเสียงก็มาปล้นกุศลไปหมดอาศัยจมูกเนี่ยนะครับกลิ่นก็มาปล้นเอากุศลไปอีกนะครับอาศัยลิ้นเนี่ยรสก็มาปล้นเอากุศลจิตไปอีกอาศัยกายเนี่ยโพธาภะก็มาปล้นกุศลจิตไปอีกอาศัยใจนี่นะครับเรื่องราวต่างๆก็มาปล้นกุศลจิตออกไปเพราะฉะนั้นอายตนะภายในเหมือนบ้านร้างอายตนะภายนอกเหมือนโจรปล้น ขันทั้งห้าที่กล่าวไปแล้วเหมือนเพชรฆาตนะครับไม่มีสาระอะไรเลยนะครับน่าเบื่อนะแต่ว่ามันก็ชอบอ่ะทาไงได้สวยอ่ะทาไงได้นะก็เขาดีอ่ะเพางั้นเ อ, อเดี๋ยวก็ต้องให้เขาปั่นหัวให้มันนี้ก่อนเนี่ยนะเาเรียกว่าอายตนะหกเนี่ยนะครับในโลกทั้งโลกหนึ่งโลกสองโลกสามโลกสี่โลกห้าโลกหกเหล่านี้นี่นะครับบางอย่าง ก็เป like ็นกายต่างกันมีกายต่างกันปฏิสนธิจิตต่างกันนานัตตกายะนานัตสันญีนะครับกายต่างกันปฏิสนธิจิตต่างกันเรียกว่าพวกมนุษย์ทั้งหลายลยเนี่ยนะบางพวกก็มีกายต่างกันปฏิสนธิจิตเหมือนกันนี่เขาเรียกว่านานัตตกายะเอกตสัญญีบางพวกก็มีปฏิสนธิจิต เหมือนกันแต่ก็กายต่างกันอย่างเงี้ย น, นะครับอันนี้เป็นพวกพรหมทั้งหลายเป็นต้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็พรหมทั้งหลายนะนับตั้งแต่มนุษย์เป็นต้นหรือนับตั้งแต่นรกขึ้นมานะครับเรียก ว, ว่าวิญญาณที่ติเจดนะครับอันนี้ก็เป็นโลกเหมือนกันเพราะว่านารกก็พังนะครับแต่ว่าไปสัตว์นรกก็ไม่ได้ไม่เที่ยงนะครับแต่ว่ามันนานอาจจะนานหน่อยนะครับนะจมลงไปสักสามหมืนปีโผล่ขึ้นอีกสาม0 0ื่นปีแล้วก็จมไปใหม่อย่างเงี้ยนะครับ แต่ก็ไม่เที่ยงหรอกครับไม่มีใครอยู่ในนรกถาวรอะไรรอกแต่ว่าแม่มันทรมานเหลือเกินนะครับเตอนแม้กระทั่งเปรตอสุรกายสาัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาพรหมเป็นต้นเนี่ยก็ชื่อว่าโลกนะครับพังไปหมดเหมือนกันหรือแม้กระทั่งในโลกทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจยก็ได้รับโลกกรรทำแปคือได้ลาบบ้างเสื่อมลาบบ้างได้รับนินทาบ้างสรรเสริญบ้างนะครับ สุขทุกข์บ้างนะครับได้ยศเสื่อมยศเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เรียกว่าโลกธรรมเพราะฉะนั้นโลกแต่และโลกก็พังไม่หมดนะครับไม่ได้มีอะไรจีรังยั่งยืนหรอกครับแล้วก็โลก9้าคือสัตวะท9้าเพิ่มอสัญญาศัตร์กับเพิ่มเนวสัญญาเข้ามาก็เป็นโลก9นะครับจากวิญญาณที่ตเจนะครับเพิ่มอีก2ก็เป็น9ส่วนโลก10ก็ได้แก่อายตนะ10นะ ตากับสีห vertex, ูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้ น, นกับรสกายกับโพธาภะเนี่ยก็เป็นสิบนะครับมีห้าคู่เป็นสิบนะพวกนี้ก็พังหมดนะคร ime, ับตากับสีก็พังนะครับตาเราก็ iten, fen, Grace, kasih, Ball, พัง Troy, นะรูปสีร่างสีสันของร่างกายทั้งหมดก็พังอีกหูก็พังเสียงที่พูดก็พังจมูกก็พังกลิ่นตัวทั้งหมดก็พังหมดนะครับลิ้นก็พังรสในตัวทั้งหมดก็พังกายก็พังโพธพภะก็พังไม่มีเหลือนะครับอีกสิบปีเนี่ยมายกอย่างนี้ใหม่นะครับไม่นหนาดูแล้วครับ อายลูกอายา น, นต่อไปก็โลกสิบสองนะครับคือนะตากับสีรูปกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโทตพระใจกับธรรมรมแต่ละอันก็พังหมดเลยนะเพราะฉะนั้นข้อความในอายตนะวิพังนะครับพระองค์ทรงแสดงว่าจากขวายตนะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา รูปายตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาโสตายตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาคันทายตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานัชิวหายตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาราสายตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะครับกายายตนะ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดารสายาตนะก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดากายญาตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาโพธิภัยญาตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดามานายาตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแล้วก็ธรรมายาตนะ ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะครับเ น, นี่นะดูได้นะครับในอายตนาวิพังนะครับอายตนาวิพังคัมภี์วิพังค์เล่มที่77นะครับเล่มเ7็เ็ราไปดูเอาไม่เที่ยงแค่ไหนเป็นทุกแค่ไหนเป็นอนัตตาแค่ไหนนี่นะครับให้เห็นถึงความไม่มีสาระอะไรของอายตนะทั้งหลายเหล่านี้นะครับแล้วก็โลก18คือธาตุสินะครับจะนะธาตุเนี่ยนะ ธาตุนี้อีกอย่างหนึ่งก็บอกนิสัตโตนิชีวะคือนิสตานิชชีวะสุญยะนะครับไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะแล้วก็ศูนย์จากความเที่ยงความยั่งยืนเป็นต้นนะครับแต่ธาตุเหล่านี้ชื่อว่าธาตุเพราะมันมีจริงมันเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่เกิดจากจากครูธาตุก็เกิดจากกรรมเป็นต้นเป็นปัจจัยนะครับมีมหาภูตรูปสี่เป็นเหตุใกล้มีกรรมเป็นสมุธานนะครับ แต่ก็จริงไหมจริงว่างแต่ว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลว่างจากหญิงจากชายแต่ว่าสภาวะธรรมนี้มีอยู่จริงนะครับจากขู่ธาตุก็เรียกว่าโลกนะครับพังแน่นะครับรู ป, ปรธาตุแล้วก็อาศัยจากขู่ธาตุกับรู ป, ปรธาตุทาให้เกิดผลคือจากขู่วิญญาณธาตุนะครับโสตะธาตุนะครับสัทธาธาตุทาให้มีผลคือโสตะวิญญาณธาตุ ขานาธาตุกับคันธาตุมีผลคือขานวิญญาณธาตุชิวหาธาตุคือลิ้นเนี่ยนะครับกับรถทําให้เกิดชิวหาวิญญาณธาตุกายกับโพธาตุทำให้เกิดผลคือกายวิญญาณธาตุนะครับมโนธาตุนั้นเกิดก่อนวิญญาณธาตุทั้งห้าที่กล่าวแล้วบางส่วนก็เกิดหลังกับเกิดหลังจากวิญญาณธาตุที่กล่าวไปแล้วเรียกว่ามโนธาตุ ปัญจทวาราวัชนะกับสัมปติชนะอันมโนธาตุธรรมธาตุก็เกิดมโนวิญญาณธาตุันมโนทวสันติรณาจิตมโนทวาราวัชนะจิตชาวนะจิตทั้งหมดเรียกว่ามโนวิญญาณธาตุนะครับธาตุแต่ละอย่างก็เรียกว่าโลกเพราะไม่เที่ยงนะครับมันผุพังไม่มีสาระอะไรสักอย่างเลยนะครับพ่อ ค, ค่ับไหนลองขยายธรรมธาตุหน่อยครับ ธรรมธาตุคืออะไรแสดงออกมาลักษณะไหนกระทบภาษะเกี่ยวกับาทางมโนทวารยังไงอะไรอย่างงี้ธรรมธาตุนั้นก็เป็นชื่อของธ ร, รมายตนะทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะธรรมายตนะเนี่ยนะธ ร, รมายตนะนั่นแหละรเรียกว่าธรรมธาตุนะครับเช่นภาษะเวทนาทั้งหลายเนี่ยนะครับเจตสิกทั้งหมดนะครับเป็นธรรมธาตุ ท่นพวกภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเป็นต้นพวกนี้เป็นธรรมธาตุนะครับอันธรรมธาตุทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ย น, นะกับมโนธาตุที่ได้รับรู้เรื่องราวก็มโนวิญญาณธาตุก็จะเกิดขึ้นนะครับมโนวิญญาณธาตุบางอย่างมีสีเป็นอารมณ์มโนวิญญาณธาตุบางอย่างมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโภทะพะนะครับมีธรรมะเป็นอารมณ์นะครับ แต่ว่าวิธีการขยายก็คนลนยกับธรรมายตนะหรือธรรมรมณ์นั่นเองนะครับแต่ก็มีความสัมพันธ์กันมั น, ม, นโมโนวิญญาณธาตุก็คือความนึกคิดทั้งหลายแหละทั่วๆไปนะครับฉนั้นธรรมธาตุนั้นบางอย่างก็เป็นสัมปยุตรธรรมกับจกักขูวิญญาณธาตุเป็นต้นนะครับบางอย่างก็เป็นสัมปยุตรธรรมกับมนโมนวิญญาณธาตุนะนะั่นแหละเป็นธรรมธาตุบางอย่างก็เป็นอารมณ์ด้วยนะครับ ก็ถ้าพูดเป็นวิถีก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็คนละวิถีไปคือธรรมดาของจิตหรือธรรมชาติของจิตมันก็เกิดรับรู้ทีละอย่างอยู่แล้วนะครับแต่คือคือนัยนั้นคือเป็นทฤษฎีเป็นหลักการธรรมดาที่ควรรู้ไว้นะครับธรรมชาติของจิตรู้ที่รู้ทีละอารมณ์อยู่แล้วนะครับจะไม่รู้ปะปนกันพร้อมกันในขณะเดียวกันแต่ว่าเนื่องจากคุณภาพของความรู้อาจจะทําให้ รู้ทีละอย่างแต่มันก็สับสนกันนะครับด้วยอํานาจอุทจารหรือด้วยอํานาจของวิจิกิจชาเป็นต้นนะเขาทาให้สับสนกันเป็นได้นะครับหรือด้วยอํานาจปัญญาที่ยังเข้าไปไม่ถึงในสภาวะธรรมแต่ละอย่างแต่โดยธรรมชาติของจิตแล้วก็คอย ร, รู้ทีละอารมณ์เนี่ยนะนี่เป็นเงื่อนไขธรรมดาเวลาเราฟังเสียงหรืออะไรพวกนี้มันคือมันรู้พร้อมกันไปหมดเนี่ยมันผมก็เลยคิดว่ เนื่ว่ามโนวิญญาณธาตุเนี่ยมันเป็นตัวคือธรรมธาตุเนี่ยนะมันเป็นตัวประมวลเรื่องราวต่างๆทางตาบ้างหูบ้างจ hart, มูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างเนี่ยประมวลกันเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรต่างๆขึ้นมาอย่างนั้นไม่ใช่ <L un> คือเรื่องราวมันก็มีอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแต่เราคือความคิดบางอย่างเขาเรียกว่ามโนทวารวิถีบางอย่างเป็นตัวประมวลให้มันดูเป็นเรื่องเป็นราวไปนะครับชาวนะจิตบางอย่างเนี่ยก็สมุหะนะครับสมุหะ หรือว่าพวกบัญญัติทั้งหลายเนี่ยนะบัญญัติวิถีเนี่ยศัท ธ, ธาบัญญัติอัธบัญญัติตัวชวนะบางอย่างเนี่ยเป็นตัวรวบรวมเรื่องราวขึ้ น, นความคิดที่รวบรวมก็ส่งเสริมส่งต่อต่อต่อตอกันไปเท่านั้นเองนะครับอันที่จริงแล้วไอ้วุ่นวายสับสนอะไรที่จริงเนี่ยนะโดยความจริงมันไม่วุ่นวายมันไม่สับสนอะไรเท่าไหร่หรอกครับแต่เนื่องจากไอ้ความคิดที่ไม่ได้รับการอบรมฝึกฝนพัฒนาไม่ได้เคยแยกแยะสำน ว, นวนว่าไม่เคยทำปริญญาในทวารหกมาเลยนะครับ ไม่ได้ทําปริญญาใหม่มีการวินิจฉัยทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจยเนี่ยนะครับโดยความเป็นโรคหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าอะไรไม่เคยเอามาวิเคราะห์ไม่เคยเอามาเพ่งเอามาไขข้อเลยมันก็ดูเหมือนกับสับสนวุ่นวายไปหมดที่จริงแล้วที่มันสับสนก็เนื่องจากอาวิชานั่นเองนะครับเนื่องจากความไม่รู้ความไม่เข้าใจของเราเองนั่นเองที่เป็นอย่างนี้ทั้งหมดก็คือเนื่องจากอาวิชาไม่ทําปริญญาหรือสัมนวนหนึ่งก็คือไม่ได้สดับธรรมนะครับ บุตรชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับธรรมะของพระเริยเจ้านะครับผู้ไม่เห็นพระเริยเจ้าผู้ไม่ฉลาดในธรรมะของพระเริยเจ้าผู้ไม่มีวินัยของพระเริยเจ้านะครับเนื่องจากไม่ไม่ได้เห็นพระเริยเจ้าเป็นต้นหรือไม่ได้สดับธรรมะของพระเริยเจ้าทั้งนั้นก็เลยขาดการทําปริญญานะครับขาดการพิจารณารอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ไม่เหมือนกับพระริยสาวกผู้ได้สดับแล้วนะครับ ไอ้คำว่าสดับแล้วก็คือทรงจำธรรมะที่สดับไว้แล้วเป็นต้นนั่นดีเป็นอย่างดีแล้วมาค่อยๆคร่ครวนตามนั้นนะครับการเอามาใคร้ครวนเอามาพิจารณาตามนั่นแหละเรียกว่าพรหมจรรย์นในศาสนานี้นะครับก็คือพยายามที่จะทอยังไงที่จะเห็นอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นนั่นเองเพราะฉะนั้นอริยมรรคชั้นแรกเรียกว่าทัศนามรรคมรรคที่เห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงนะครับเนี่ยนะพัน การปฏิบัติในชั้นต้นก็คือปฏิบัติตามนะครับเป็นลักษณะของภาษาวกค่อยๆว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงอย่างไรนะครับแล้วค่อยๆเรียบเรียงเรื่องติดตามไปแต่ถ้าหากว่าย้อนกลับมาดูในโลกนี้ในยุคนี้นะครับในยุคนี้มันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของคนยุคนี้ไม่ทราบนะครับว่าเรียนธรรมะไม่มีระบบอะไรสักอย่างเลยนะครับไม่มีลำดับไม่มีขั้นใหม่มีตอนใหม่รู้อะไรควรกําหนดอะไรควรละควรเจริญ ไม่เข้าใจสักอย่างเลยนะครับไม่เข้าใจสักอย่างเลยเนี่ยนะครับแม้กระทั่งฟังคําว่าสุตมยะยานก็รับไม่ได้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเสร็จแล้วผลเนี่ยจะเอาแบบพระริยาเจ้าทั้งหลายแต่วิธีการไม่ชอบดําเนินตามแบบพระริยเจ้าสมัยแต่ก่อนท่านทำนะครับนนั้วิธีการก็เลยแตกต่างกันอย่างการเข้าไปหาการนั่งใกล้การเงียบโสดลงสดับการทรงจําเป็นต้นเนี่ยนะครับตามคําสอนที่พระองค์แสดงไว้ก็ไม่มีนะครับ จาก4ี่ประการเนี่ยนะครับฟังคบสัตว์บุรุษการฟังธรรมของสัตบุรุษแล้วเอามายโยนิโสมนสิการตามแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแกร่ธรรมะที่กล่าวไปแล้วนั้น ก, ก็อ่อนนะครับเพราะก็เมื่ออ่อนเมื่ออ่อนแล้วมันก็จะเอาผลแบบพระแบบพระพาหิยะเป็นต้นเนี่ยนะเอาผลแบบพระ อ, อ น, นุ์เป็นต้นจะเอาผลแบบพระอริยเจ้าทั้งหลายแต่ไม่ชอบวิธีการของท่านทั้งหลายเหล่านั้นนะครับทีนี้ก็มันเป็นเวรเป็นกรรมยังไงไม่ทราบนะครับ คนใหม่ๆยุคใหม่ๆ ก, ก็มามาเสนอทางเลือกใหม่ให้นะครับนะฉันมีทางเลือกใหม่ให้นะฉันมีข้อปฏิบัติใหม่ให้นะนคะ่อยเบี่ยงประเด็นนานๆานเข้าก็ไม่ค่อยยอมรับนะครับนานๆบางกลุมบางสายก็ปฏิเสธแม้กระทั่งพระดาวิโดกด้วยซ้ำไปนะครับปฏิเสธคมภีบางกล่มก็รับบางส่วนปฏิเสธหลายส่วนนะครับบางกลุ่มก็ไม่เอาทั้งหมดเลย นะครับทีนี้ของพวกเรามันเป็นลูกรุ่นลูกรุ่นห ล, ล, ล, ลานมานะครับเคยทําเหตุมาไม่ค่อยดีก็มารับรู้ทั้งหมดนะครับมาได้ยินได้ฟังไปถูกกับผิดเนี่ยมันผสมปนเปกันเคล้ากันไปหมดนะครับเหมือนกับรถคันเดียวกันนี่มีทั้งอะไรแท้อะไรเทียมเวลาขับไปก็รูดหลุ ด, ล ด, ลดร่วงกรูไปหมดอ่ะนะจริงกับเท็จเท็จกับจริงเนี่ยปนปนกันใกล้ๆกันนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้ก็ต้องมาสมาทานสมาทานหรือว่ามาถึงไตรสนคมอย่างแท้จริงเหมือนกันนะครับว่า พุทธังทำมังสังคังสรารนางังฆาชามิมาค่อยๆเรียบเรียงขึ้นมาพระพุทธเจ้านี่คือใครพระธรรมคําสอนของพระองค์เนี่ยว่าไว้อย่างไรบ้างหมู่ผาระรยะสาวกทั้งหลายเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรนะครับแล้วมาค่อยๆใต้ลําดับค่อยๆศึกษาตามหลักฐานหรือแผนที่ที่ทมีอยู่เนี่ยนะครับคือพระปริยติธรรมที่ชี้แนวเอาไว้นี่นะครับเพราะอทาไม่ดําเนินตามนี้ก็คงยากนะครับเนี่นะวัน อย่างเช่นไอ้คำว่าโลกหนึ่งสสามสี่จนถึงโลกสิบแปดเป็นต้นเนี่ยนะครับถ้าจะประพฤติปฏิบัติตามคําสอนในปรยียตเนี่ยต้องจําให้ได้ก่อนนะครับทั้งหมดเนี่ยนะจำได้แล้วเอามาสงเคราะห์ค่อยๆไล่ลงเนี่ยนะตามองเห็นเป็นโลกหนึ่งได้ไหมอะไรคือโลกหนึ่งหูได้ยินเสียงเป็นโลกหนึ่งไหมเนี่ยหายใจเข้าโลกหนึ่งไหมเป็นต้นเนี่ยเห็นใครเนี่ยมองเป็นโลกหนึ่งได้ไหม เกี่ยวข้องกับอะไรเป็นโลก2องไหมโลก3เป็นยังไงนะครับเกี่ยวข้องกับอะไรส่งข้อลงโลกจนถึงโลกทั้ง18นะครับชีวิตของเราเนี่ยส่งข้ออย่างนี้ให้ได้ก่อนส่งจำนะเอามาสรงข้อคําสอนเหล่านี้ลงในชีวิตแล้วพระองค์บอกว่าโลกเหล่านี้เนี่ยทำปริญญา3นะแล้วก็มาค่อยๆทําปริญญาไปตามที่พระองค์ทรงชี้ทุกอย่างนั่นแหละครับจึงจะเป็นไปได้ว่าจะดําเนินตามนะครับแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้น ก, ก็ก็ยากนะครับ บอกว่าโลกแม้จะจำแนกมากไปอย่างนี้นะครับอย่างโลกหนึ่งถึงโลกสิบแปดเป็นต้นเนี่ยนะดังพันานามานี่ย่อมถึงการสงเคราะห์คือการรวมลงในอุปาทานขันห้าเท่านั้นนะครับจะพูดแง่ไหนก็ช่างเถอะครับแต่สรุปก็คือขันห้านะหรือว่าใครจะชอบตัวเลขขนาดไหนก็ตามใจนะครับชอบเลขหนึ่งก็เอาสัพเพสตาหาถิติกาไป ใครชอบเลขสองเอาน้ำรูปไปใครชอบเลขสมเวทนาสาไปใครชอบเลขสี่เอาอาหารสีไปใครชอบขันโลกคำวมาเลขห้านะก็เอาอุปาทานขันห้าไปถ้าชอบเลขหกก็เอาอายตนาภายในหไปถ้าชอบเลขเจก็วิญญาณทิฏฐิเจ็ดไปชอบเลข8ดก็เอาโลกธรรมแปดไปถ้าชอบเลขเก้าก็ สตารวาสเไปชอบเลข10ก็อยตนา10ชอบเลข12ก็องก็ยตนา12บสอถ้าชอบ18บก็เอาท่าสิบแไปนะครับก็แล้วแต่ศรัทธาเพราะงั้นแต่ถ้าหากว่า น, นักศึกษาทั้งหลายก็ต้องเรียนทั้งหมดนะครับเนี่ยนะเพราะว่าสุตตมายญาณเ น, นี่ยนะครับสุตตมายญาณนั้นแบ่งธรรมะออกเป็น16หัวข้อหัวข้อนะครับหัวข้อที่1นึา่าเรียกว่าอภินัยยธรรมนะครับธรรมที่ควรรู้ยิ่ง 2ปริญญาธรรมทำที่ควรกําหนดรู้นะครับสปหาตประธรรมทำที่ควรละ4ภาเวตประธรรมทำที่ควรเจริญ5้สัจจิกาตประธรรมทำที่ควรทําให้แจ้งนะครับแล้วก็ยังแบ่งกลุ่มเป็น อ, อริยาศาสต ร, ร์อีก4ประการนะครับทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็แบ่งกลุ่มธรรมะที่ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปว ง, ง, งเป็นทุกขธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา หานาภาคียะทิติภาคียะวิเสสะภาคียะนิเพทภาคียะนะครับทั้งสิบหกหัวข้อเหล่านั้นก็ต้องทรงจําก่อนแล้วก็มาจําแนกว่าเออหัวข้อที่หนึ่งนะอภินยยนิเทศทำหนึ่งควรรู้ยิง่งนะได้แก่ทำสองทำสามทำสี่ทำห้าทำหกทำเจ็ดทำแปดทำเก้าทำสิบควรรู้ยิ่งนะครับแล้วก็ทำทั้งปวงควรรู้ยิง่งเป็นต้นเนี่ยนะครับพวกนี้ก็ต้องวิเคราะห์เรียนรู้ให้หมดนะครับมันเป็นวิชาพื้นฐานจริงๆนะครับเป็นวิชาพื้นฐาน ถเรียนทีคณิกายก็ต้องเรียนสังคีติสูตรหรือว่าถ้าสุตระสูตรนะครับตามแนวสูตรนั้นๆนะครับลักษณะของสูตรตรมยญาตนะครับถ้าสุตระสูตรนะครับทีคณิกายปาติกวักนะครับหรือสังคีติสูตรนะครับมาแบ่งประกลุ่มธรรมะหมวดหนึ่งหมวดสองเป็นต้นเนี่ยนะแต่จะชอบแบบพิสดารหน่อยก็ดูอังคุตรนิกายนะครับก็ทรงจําไปตามนั้นนะครับมั้นถ้าหากว่าทรงจําไม่ได้อะไรไม่ได้นะครับมันก็เสื่อมลนตกหายจากศาสนามานานแล้วนะครับ มันวิบัดก็รอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ก็แล้วกันถ้ามีบุญพอนะครับ